ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีตพระเยซูหนึ่งร้อยหกสิบเก้าตอนงานเลี้ยงใหญ่พระเจริของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ครับกลับมาอยู่ที่พระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ครับลูกาบทที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่สิบสี่โปรดฟังพระเจริของพระเจ้าฝ่ายคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะด้วยกัน เมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีคนหนึ่งได้ทําการเลี้ยงใหญ่ได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอกคนทั้งหลายที่รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียไมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่า ข้าพเจ้าที่ซื้อหนาไว้จะต้องไปดูหนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโควไว้ห้าคู่จะต้องไปลองดูโคนั้นขะ้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่ดังนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวนั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้หนายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมือง พาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนขยกเข้ามาที่นี่แล้วบาจึงบอกว่านายเจ้าค่ะข้าเจ้าได้กระทาตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งบ่าวนั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อยและเร่งรั้ว เ, เขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มเพราะเราบอกท่านหลายว่าในพวกคนหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่ง จะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยจุดเริ่มต้นของคําอมานี้นะครับเกิดในบ้านของฟาริสีครับพี่น้องคงจะรู้จักฟาริสีนะครับว่าฟาริสีนั้นเป็นใครแต่มีฟาริสีบางคนเขาก็เป็นคนที่แสวงหาและเป็นคนที่ได้รู้จักกับปองระเยชุกฤตเรื่องนี้เกิดในบ้านของฟาริสีฟาริสีนั้นเป็นขุนนางเป็นผู้นําศาสนาพวกเขานั้นก็มีเพื่อนเยอะแยะ ก็เลยเชืิเชญเขาเยซูนะครับไปในงานเลี้ยงในวันพระบาโตวันหนึ่งเยซูส่สงทีสังเกตดูนะครับว่าแขกที่มาในงานเลี้ยงนี้เลือกที่จะนั่งที่มีเกียรติเยซูก็เลยถือโอกาสที่จะสั่งสอนพวกเขาเยซูทรงตักเตือนพวกเขาที่ได้ยกตัวเองขึ้นและกล่าวในถ้อยคำในลูกาบทที่สิบสี่นะครับว่าเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง แต่ผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้การยกขึ้นพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่พี่เยซูกําลังบอกกับสาวกในบทที่14ข้อที่11นะครับไทยก็ตามที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและไทยก็ตามที่ถ่อมตัวลงจะได้การยกขึ้นเยซูหันไปมองเจ้าภาพครับแล้วกล่าวนะครับว่ากล่าวเจ้าภาพที่เชิญเฉพาะเพื่อนพี่น้องแย่สนิทเพื่อนบ้านที่ร่ํารวย ขายโชวทั้งหลายพี่เยซูตัดในข้อ13ครับว่าแต่เมื่อท่านทําการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนขะเยคนตาบอดคนเหล่านั้นไม่สามารถให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าภาพได้แต่พี่เยซูบอกว่าพวกปริศีเองจะได้รับ พ, บพระพรและได้รับสิ่งตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาแาก้ความตายแล้วในข้อ14ครับพี่น้องครับพระเยซูทรงต้องการ ให้พวกเผยสีเข้าใจท่าทีที่ควรมีต่อคนจนท่าทีของพระองค์ที่ควรมีต่อคนที่โศกเศร้าคนที่ด้อยโอกาสคนที่เจ็บปวดคนที่เรียกว่ายากจนในสังคมคนที่หลงหายไปคนที่อาจจะไม่สามารถที่ดํารงตนอยู่ในสังคมปกติได้ถ้าดูต่อไปนะครับในข้อทีสิบห้าถึงข้อที่สิบเจดเราจะ รู้จักชายคนหนึ่งที่จัดเลี้ยงใหญ่งานเลี้ยงใหญ่ครับและเชิญคนเป็นจันนมากแต่เมื่อถึงเวลาจัดงานเลี้ยงเจ้าภาพก็ส่งบัตรเชิญไปยังคนทั้งหมดที่รับเชิญและนี่เป็นคำเนี้ยงของคนในสมัยนั้นนะครับเมืเ่อเยซูตัดเกี่ยวกับงานเลี้ยงสมรสในคำอุมาของพระองค์ตรงมักจะอ้างถึงวันสุดท้ายครับหรือเวลาสุดท้ายหรือยุคสุดท้ายงานเลี้ยงสมรสที่ยิ่งใหญ่ของเยซูของแม้พระแม่สะโโด นะครับกล่าวไว้ในพระธรรมวิวรบทที่สิเก้าข้อที่เก้าครับมีงานเลี้ยงของพอระเมสสปดกเป็นงานงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับบัดเชิญให้มาในงานเลี้ยงนี้ได้ส่งออกไปมากมายมากมายขนาดไหนครับทุกทุกคนจะได้รู้เชิญทุกทุกคนเข้ามาในงานเลี้ยงของพอระเมสสปดกบัดเชิญนี้ถูกส่งออกไปงานนับศตวรรษ คำเชิญเหล่านี้เป็นคำเชิญสําหรับคนที่หลงหายให้ต้อนรับพระเยซูให้เข้าในแผ่นดินของพระองค์เข้าในงานเลี้ยงบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์จะได้เข้าส่วนในงานเลี้ยงนี้ครับที่น้องครับพวกเราทั้งหลายจะได้เข้าแน่นอนในงานเลี้ยงของพระไม่สปนุกในข้อที่สิบแปก็บอกต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อแก้ตัวของแขกแต่ละคนเมื่อเขาปฏิเสธคําเชิญคนนึงบอกว่าได้ซื้อนาไว้แล้วนะครับต้องไปดูนา นี่เป็นข้อแก้ตัวที่จะปฏิเสธคาเชิญอย่างไม่สมเหตุสมผลเพราะไม่มีนักธุรกิจที่ดีคนใดซื้อที่ดินโดยไม่ดูเสียก่อนพี่น้องคิดว่าจริงไหมครับซื้อนาว่าจะต้องไปดูนะครับอีกคนหนึ่งพูดในข้อสิบเก้าครับว่าซื้อโคจะไม่ลองดูโคนั้นก็ไม่สมเหตุสมผลครับเพราะไม่มีชาวนาคนไหนที่ซื้อโคก่อนที่จะได้ลองโคเหมือนกับเราซื้อรถนะครับเราไม่เคยเห็นรถเลยซื้อซะแล้ว คนที่สามกล่าวว่าเพิ่งจะแต่งงานใหม่ก็ไปไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีครับเพราะว่าภรรยาของเขาน้จะได้การต้อนรับในงานเลี้ยงนี้ด้วยเช่นเดียวกันการปฏิสเสธคําเชิญ น, นั้นพี่น้องฟังดีนะครับถือเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าภาพการปฏิสเสธคําเชิญถือเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าภาพครับในข้อยีิบเอดกล่าวว่าเจ้าภาพโกรธเขายิงส่งเบาของตนไปตามถนสนหนทางในเมือง เชิญคนจนคนพิการคนตาบอดคนขาขี้เหรนะครับแต่ก็ยังมีที่ว่างสําหรับคนจํานวนมากเจ้าภาพึงบอกให้เบาะนึงออกไปเชิญคนแปลกหน้าตามถนนใหญ่มาในงานด้วยครับเชิญคนแปลกหน้าเลยนะครับเชิญคนจนคนยากคนพิการคนตาบอดคนขี้เหรยังไม่พอครับยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะเชิญไปเชิญคนแปลกหน้ามาด้วยครับในสังคมยิวที่นั่งท่านผู้นําศาสนา เป็นบุคคลที่เข้าร่วมในงานเลี้ยงที่ฟารีซีจัดขึ้นในขณะที่พระเยซูเล่าคำโอ้อกไห้พวกเขาฟังพวกนี้เห็นว่าคนป่วยคนพิการคนที่ไม่ใช่ยิวเป็นชนชั้นที่ไม่สะอาดเพราะกกันครับพเพราะเหยียดผิวครับเขารู้ว่าคนป่วยคนพิการคนที่ไม่ใช่พวกยิวนั้นเป็นคนชั้นต่ำเมื่อพระเยซูส่งคําเชิญไปยังพวกยิวพระเยซูทรงทราบว่ายิวมีอคติที่จะปฏิเสธพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ หนที่สุดพระเยซูต้องเชิญคนอื่นครับในข้อ 24, ยี่สี่พระเยซูตัดตอนสรุปว่าพวกคนหลายที่รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยพยตระเยซูสอน่อไปว่าการเคียรฉลาดในการมาเป็นสาวกเป็นอย่างไรบ้างต่อไปในข้อยี่สิบห้าถึงข้อส3ิบสามซึ่งจะกล่าวในพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับสรุปว่าความอุปมานี้มีความหมายต่อ ผู้ฟังในวันนั้นก็คือพวกผู้นําศาสนาพวกเขาอาจจะท่องจําท่องพีเก่งครับเขารู้ว่าผู้เผยพชนะสัญญาอย่างไรกับเกี่ยวกับพระเมสสิยาหแผ่นดินของพระเจ้าเขารู้ว่าคนยิวรวมทั้งเขาด้วยกําลังรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาพวกเขาเตรียมพร้อมที่ให้แผ่นดินของพระงตั้งขึ้นในด้านการเมืองเขาคิดว่าเป็นการล้มล้างการปกครองของคนโรมันพวกเขาต้องการมีกรรษัตริย์ประทันบพนมวลัง พราต้องการขับไล่ชาโรมันและเฮโรธ อ, ออกไปพี่น้องครับนี่ไม่ใช่รูปแบบของแผ่นดินพระเจ้าที่เปีเชอร์เสนอไม่ใช่รูปแบบของแผ่นดินพระเจ้าที่เปียเชอร์กำลังสั่งสอนอยู่พระองค์เสด็จมาในฐานะองค์สันติราชพี่น้องครับองค์สันติราชเพื่อนําความรอดมาสู่ประชาชนทุกคนไม่เพียงแต่คนยิวเท่า น, นั้นรวมทั้งคนต่างชาติรวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ด้วยเหตุฉะนั้นพวกกอรีสีและพวกปุโรหิต ผู้กรรมการทั้งหลายผู้นําการเมืองในสมัยนั้นและการศาสนาด้วยจึงปฏิเสธพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาครับพวกเขาปฏิเสธคําสอนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าที่พวกเราได้เรียนรู้มาในคําอมุหมาหลายสิบครั้งที่ผ่านมาแล้วเกือบจะร้อยครั้งแล้วกระมังครับพี่น้องครับคําอมุหมาเหล่านี้มีความหมายต่อเราในโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันถ้อยคําของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและพระเยซูยังเป็นคําเชิญที่กล่าว มาถึงพวกเขาวา่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับทุกครั้งที่ข่าวเสริได้ประกาศออกไปพระเยซูทรงเป็นผู้ใดครับพเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าองทรงเป็นที่ปรึกษาอันแสนอัศจรรย์องค์ทรงเป็นองค์สันติราช ทำเชิญชวนให้เราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ได้ส่งออกไปและนี่คือคําเชิญของพระเยซูในช่วงเทศก า, ารเกิดสมคบพีพ่น้องครับพระเยซูกําลังเชิญเราให้เข้าร่วมงานเียินสลงพี่น้องครับพระเยซูกําลังเชิญเพื่อนฝูงพี่น้องของพี่น้องครับที่จะเข้าร่วมในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในเวลาสุดท้ายในวันสุดท้ายในยุคสุดท้าย ผู้ที่ปฏิเสธคำเชิญจะไม่มีที่ว่างเขาในงานเลี้ยงใหญ่ครับในขณะเดียวกันครับคนเก็บภาษีคนบาปคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเริ่มทยอยกันเข้ามามุงและก็เข้ามาในงานเลี้ยงพวกเขาได้ฟังคําอุปมานี้ด้วยในสมยัยนี้เช่นเดียวกันครับคนเก็บภาษีคนบาปคนทีได้โอกาสในสังคมคนยากจนได้รับโอกาสนี้ไปแล้วพระเยซู จะเชิญพวกเขาเขาเ้าไปในสวรรค์ได้ทรงรู้สึกต่อคนบาปที่ไม่รู้จกักต่อพระองค์ด้วยความรักและด้วยความเมตตาพี่น้องครับมีทุกสิ่งที่เป็นหัวใจเป็นพธนะของพระเจ้าเป็นสัจธรรมที่ทําให้เราทัหลายจะต้องรับสมิธว่าพระเยซูนั้นเชื้อเชิญพวกเราทั้งหลายแต่จริงแล้วเราทั้งหลายนั้นไม่สมควรแต่นี่คือพระคุณยิ่งใหญ่ครับพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเยซู แต่คุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ในวันคริสต์มาสนี้เราจะนับถือถึงพระองค์อย่างไรอยู่ที่พี่น้องครับอยู่ที่เราทั้งหลายจะเข้าถึงและรู้จักพระเยซูมากแนละลึกซึ้งแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอย่างมีความหมายครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยในการที่จะทราบซึ่งการเสด็จมาของพระเยซู ในการที่จะทราบซึ่งถึงการเชิญของพระเยซูทำให้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เชิญคนอื่นต่อไปผู้ที่เป็นพ่อพระพรเป็นพระจนะเป็นทานพระพรของพระเจ้าหลั่งไหลพระพรผ่านชีวิตของเราหลั่งไหลแนะนำพระคุณของพระเจ้าให้กับคนอื่นอีกมากมายนี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูนี่คือข่าวประเสริฐของโลกอาวีย